วังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบ ก, กายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความหมายความนี้ถ้าหากว่าท่านั้หลายว่าตามไปตามประเพณีก็ไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไร แล้วก็เสียเวลาว่าตามนั่งเล่นนอนเล่นซะดีกว่าเวลาที่บ้าตามเป็นนี้ก็จงนึกถึงในสมัยที่องค์สมเด็จพระมหามุนีบรมส า, ส า, สมมารมรุทธาุ้ในขณะที่พระองค์ทรงแสวงหาพินิษสกรม และก็วันบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณในตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานรทรงเป็นกษัตริย์สมเด็จพระทรงเสวัยเห็นว่าการเปร็นกษัตริย์ไม่เป็นปัจจัยของความสุขการมีทรัพย์สินการมีครอบครัวมีบริวารเป็นปัจจัยของความทุกข์ ดีนั้นพระองค์จังได้ทรงสระความสุขที่ชาวโลกเา้าเรียกว่าสุขแต่ว่าพระองค์เห็นว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ละทุกขเสียงทุกอย่างทั้งยศถาบรรดาศักด์วาสนาบารมีทรัพย์ินบทปัญญาออกสแสวงหาพระวินัศสกรม ทรงเห็นว่าการอยู่คนเดียวเป็นปัจจัยของความสุขเป็นอันดับแรกไม่มีกังวลมากแล้วก็หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้ า, จาก็ทรงใช้ความพยายามในการจิตที่จะปฏิบัติให้มันมลุกมรรคผลอาการทุกอย่างที่อาจารย์สมัยนั้นเขาสอนทำทุทกอย่างแม้แต่การธรมาณตน ยิงกระทั่งร่างกายสู้ผอมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยอมทำแต่้ว่างานนั้นไม่สมเร็จมากผลต่อมาองค์สมเด็จพระทุศพลจึงได้ตรงทรงตัดสินพระไทยในวันมีสาขาบูชากลางเดือนหกทรงนั่งอยู่ที่โคนโพ แน้่ยก็ทรงตรมฤติว่าถ้าเราไม่บรรลุอภิเศษสมาสัมโพธียานเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแท้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตจินรีเก็เราจะตายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เด็ดขาดนี่ความหมายนี่องค์สมเด็จพระบรมโลกก็นาด คือว่าชีวิตไม่มีความหมายร่างกายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายแต่ถ้าเราจะตายเพราะอาศัยไม่ได้ความดีคือจิตบริสุทธิ์เราจะยอมตายเสียดีกว่าจะนั่นขอบมันดาท่านพุทธบริษัทธ์นโยบายคาวจรทั้งหลายโดยทนนาเวลาที่ตั้งท่านตั้งใจจะเริญพระกรรมฐาน ก็จงตั้งใจเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระวิชิตตมารว่าตั้งความเพียรจริงๆว่าผลใดที่คำสอนรับแรวเราจะปฏิบัติด้วยชีวิตจะใชอารมณ์ในคิดตัดความชั่วอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามันนั่งรับฟัง ขณะใดที่ยังตื่นอยู่เราจะไม่ยอมวางอารมณ์ที่ตกกิเลสและยังคิดว่าชีวิตของเรามีค่าน้อยกว่าชีวิตขององค์สมเด็จพระบรมาโลกเชษตรเพราะว่าไม่ได้ดเป็นกษัตริย์มีทรัพย์สินไม่ถึงพร่องค์มีวาสนาบารมีไม่ถึงพร่องค์ ทำไมจึงจะไปนั่งห่วงใยทรัพย์สินและชีวิตซึ่งมันมีค่าน้อยกว่านั้นองค์สมเด็จพระ毗ชิธมานมีสมบัติมากกว่าทำไมจึงไม่ห่วงเพราะว่าความห่วงมันเป็นกังวลมันเป็นปัจจัยของความทุกข์นับแต่วัยเกิดมาถึงวันนี้เราเคยมีความสุขอะไรบ้างเอาจิตเข้าไปคิดกันไว้ เ้าก็ตั้งใจว่าถ้าความดีที่เราทกศาไว้แล้วนี้มันไม่ดีถึงที่สุดเพียงใดเราก็ตายเสียดีกว่าชีวิตนี้ไม่มีความหมายเพียงแค่จะเอาชนะกำลังใจในด้านของความชั่วเราทําไม่ได้การเกิดมาของเราก็จัดว่าเป็นโมฆะบรุรุษโมฆะสตรี คำว่าโมคะก็หมายความว่าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยิ่งคำวันดาท่านพุทธบริษัทที่สมาทานไปกรรมฐานแล้วจึงน้อมนําอริยาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วมาปฏิบัติถ้าว่าเราจะฝึกฝนในความดีที่องค์สมเด็จพระินิษศรีสอนแต่ว่าเราจะนั่งรับฟังอย่างเดียว นัะนทำจิตให้มันอยู่ในขณะขอกเรีในคำสอนช่วขณะหนึ่งอย่าลืมว่าวันหนึ่งมันมีเวลา24ชั่วโมงในช่วงเวลา24ชั่วโมงนี้เวลาหลับนั่นก็เรื่องของมันแต่ว่าเวลาตื่นอยู่นี่จงอย่าให้จิตว่างจากอารมณ์ของความดีที่เราตั้งใจต่อที่นี้ไปก็อย่าขอพูด เียเรื่องอาหาเรเริโกและสัญญาแล้วอกก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาหาเรเริโกแสัญญาอย่าลืมว่าอาหาเรเริโกแสัญญานี้เมื่อเราเริ่มจับขึ้นอารมณ์ต่ําสุดก็คืออารมณ์ของพระอนาคามีแล้วจะพูดกันไยตามความจริงแล้วถ้าจับจุดนี้ก็ควรจะจับเป็นจุดที่เรียกนว่าอารมณ์ของพระอรหันต เพราะว่าหาเรยริปฏิโกศาสัญญาเป็นเรื่องของพุทธจริตคือคนที่มีจิตฉลาดถ้าคนที่ไม่ฉลาดปฏิบัติกรรมฐานบ ท, บทนี้ไม่มีผลแต่ในฐานะที่เราเกิดมาทันศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลเราไม่ฉลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าฉลาด ในเมื่อเรามารับค่อยคำคำสังสอนของคนเฉลาดนั้นเราอย่ยากลับโง่อีกก็เป็นที่น่าสมควรแล้วที่จะกลับไปสู่ใบยภูมินในก่อนที่เราจะทำอะไรทั้งหมดขบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมเรื่องข้อนาปานุสติกรรมฐาน การทรงอารมณ์ให้อยู่ในอำนาจของลมให้ใจเข้าออกทำสติรู้อยู่ว่านี่ลมให้ใจเข้าขณะนี้ลมให้ใจออกขณะนี้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นขณะนี้ลมให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่เสมอนี่อย่างหนึ่ง สำหรับที่พูดมันนี่เป็นด้านของมาหาสติปัฏฐานาสูตรสำหรับในพระกรรมฐานสีส่สิเราพยายามกำหนดรูดลมสามฐานเวลา ใ, ใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาให้ใจออกกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือดึงที่ปา การทรงอารมณ์เป็นสมาธิอย่างนี้ต้องทำเป็นปกติและให้ส่งตัวถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนานี้ไม่จำกัด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความพอใจในคำภาวนาไว้ยังไงซึ่งบันเป็นขุศลและก็ปฏิบัติมาจากที่อื่นในคำภาวนาอย่างนั้นจะมีความคล่องตัวดีแล้วก็ใช้คําภาวนาอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นพุโธก็ได้ถ้าขืนเปลี่ยนกําลังใจก็ยาวก็แกกก็สับปะสายไม่ทราบว่าจ ะ, ะเอาอะไรดี การทรงจิตอย่างนี้ไว้เป็นโบติให้จิตมีอารมณ์สบายจิตใจมีความสุขตั้งอยู่ในเอกาตารมไม่วอกแวกไปโสรมอย่างอื่นมีความชุ่มชื่นมีความสุขเมื่อคลายใจรมนี้แล้วก็มาพิจารณาในด้านนาหารีปิริกูสัญญาถ้าพิจารณาไปเห้ไม่จิตเจ้าเฟื่อง อารมณ์จะไม่ทรงตัวอยู่ในขอบเขตก็ละการพิจารณาเสียแล้วก็มาจับลมให้ใจเขาออกก็คำภาวนาต่อไปให้จิตทรงตัวอีกประการหนึ่งขณะที่จะนอนให้ใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาจนกว่าจะหลับไป ถ้าพิจารณาหรือภาวนาจนหลับไปแสดงว่าขณะที่จะหลับจิตเข้าถึงปฐมฌานเป็นอย่างตำ่ำในขณะที่หลับถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่และพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ภาวนาและพิจารณาต่อไปจะลุกขึ้นมานั่งหรือนอนอย่างนั้นก็ได้ทําให้ใจสงบสงัดที่สุดหรือว่ามีปัญญาเฉียบแหลมที่สุด จนทั้งถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาประกอบกิจการงานและวันทั้งวันพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกทแตนงครุ่นคิดถึงคำพิจารณาในหาริปริกรสัญญาเทียบกับกายหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาไว้เป็นปกติอย่างนี้ความวุ่นวายของจิตมันก็ไม่มี จิตจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์มีแต่ความสุขขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความหนักในด้านของใจมันจะไม่มีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกท่านขึ้นชื่อว่ามรรคผลไม่เกินวิสัยของท่านในชาตินี้ต่อจนี้ไปหรือเวลาสิบห้านาที ก็จะข อ, อนำอวหาเรปฏิกูลสัญญาในด้านสังขารุปเปยขายานมาแนะนำกับท่านค่อยถือว่าการพูดนี่เป็นการแนะนำแล้วก็จงใช้สัญญาความจำแล้วก็ปัญญาความคิด พิจารณาให้มันแยกให้มันละเอียดอ่อนออกไปโดยใช้กําลังสมาธิที่ทรงเว้นได้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาช่วยอย่างนี้อารมณ์แห่งนิพิทายานก็ดีสังขารุเปฆายานก็ดีมันจะมีกับทัานสังขารุเปฆายานและนิพิทายานเป็นยานเขาในวิปัสสนาญาณเก้า ที่นํำเฉพาะสองอย่างมาแนะนํากับท่านก็เห็นว่าอีกอีกไปอีกห้าอย่างหรือหกอย่างนั้นไม่มีความสําคัญมีความสําคัญอยู่แค่นี้ในวันก่อนได้แนะนํามาทั้งด้านนิปิทา ย, ยานว่าเรื่องของอาหารทั้งหมดที่เรากินเข้าไปมันมาจากพื้นฐานของความสุขโปรต พูดอย่างนี้นึกออกหรือย่างสัตว์ทุกตัวที่เรากินเข้าไปมันสะอาดแลาสดปรกพืชผักทั้งหลายที่เรากินเข้าไปมันสะอาดและสดปรกอบปุ๋ยที่ทํำใ ห, ให้ให้พืชงามมันสดปรกสัตว์ทุกตนมีเลือดมีข่าวมีโอจาระมีปัสสาวะมันสะอาดและสดประก ในเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปแล้วมันก็สร้างร่างกายเราให้เกิดขึ้นงอกงามขึ้นและทรงตัวอยู่เป็นอันุร่างกายของเรานี่จะทรงอยู่ได้เพราะอาหารที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดว่าสัพเพสัตตาอาหาราธิการสัตว์ทั้งหลายจะทรงอยู่ได้เพราะอาหาร ในเมื่อสิ่งที่สร้างร่างกายเราให้ทรงอยู่แล้วโตเติบขึ้นที่จะเริงขึ้นมันเป็นของสกปรกแล้วก็ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีมีจุดไหนบ้างที่สะอาดในเมื่อมันสร้างขึ้นมาจากความสกปรกมันก็สกปรกตลอดกายเราก็สกปรก กายเขาก็สุกภรกในเมื่อกายมันสุกปรกกายเราสุกภรกกายเขาสุกภรกทําไมเรายังไมพอใจความสุปกปโรคตัวอีกหรือตรงนี้จงใช้ปัญญาของท่านพิจารณาดูไว้ของสุกภรกอย่างนี้เราควรจะอําไว้ต่อไปไหมเราควรจะมีต่อไปไหม ถ้าเราจะนึกรักคนต่างเพศสักคนหนึ่งเราก็มานั่งใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าในเมื่อคนนั้นเขาเกิดมาจากพื้นฐานแห่งการสขบรกการก่อชีวิตขึ้นก่อชีวิตขึ้นในหลงของความสขบรก ออมาความเจริญไวจากอาหารอาหารที่สร้างให้ร่างกายเขาเจริญขึ้นมามันก็มาจากสกปรกแม้เรายังจะพอใจในความสกปรกของพื้นฐานร่างกายของบุคคลนั้นอีกเลยถ้าว่าร่างกายของเรามันดีกว่าเขาหรือเปล่าร่างกายของเรามันก็มาจากพื้นฐานจากหลมของความสกปรกเหมือนกัน ถ้าในเมื่อร่างกายเราก็สกปรกร่างกายขขาบุคคลหนึ่งก็สกปรกความรู้สึกที่เรามีความพอใจนั่นคือเราต้องการของสะอาดของสวยของดีแต่ถ้ ว, ว่าร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ดีร่างกายขเขาฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ดี เราจะเอาของสปกปรกคือความความไม่ดีเข้าไปบวกกันมันก็เพิ่มความสกปรกมากมากขึ้นแต่ความจริงวันนี้น่าจะพูดถึงอริยสัจแต่ยังไม่พูดถึงเราพูดกันถึงในด้านสมถะภาวนาก่อนต่อทีนี้ไปในเมื่อความสปกปรกมันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นด้วยสัญญามันจะยังไม่มีความรู้สึกอะไรมาก ถ้าเป็นเกิดขึ้นโดยอำนาจของปัญญามันจะเกิดความรังเกียจทั้งร่างกายเราและก็ร่างกายเขาแต่เนื้อแท้จริงๆนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พิจารณาร่างกายคนอื่นมากต้องการใน ห, หินว่าร่างกายของเราตามความเป็นจริงว่ามันสกรปรกตรงไหนบ้าง ถ้าจิตใจของท่านยังเห็นว่าร่างกายของท่านส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นของดีก็ต้องขอยกประโยชน์ให้กับท่านว่าท่านเป็นจอมแห่งความโง่ที่สุดร่างกายของเรานี้ต้องอาบน้ำทุกวันต้องระมัดระวางผิวพรุ์ทุกวันแค่ผิวนิดเดียวมันยังสกปรก ถลอกหนังออกไปมีแต่เนื้อมันสะอาดด้วยวัสดุกรกๆลอกเนื้อออกไปครานี้เหลือแค่ข้างในสิมีตับไตไส้ปอดมีน้าเลือดน้าเหลืองน้ําหนองอุจาระปัสสวาวะเป็นตน้นมันสะอาดด้วยวัสดุกรกใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สัญญาความจริงการสอนอย่างนี้ ยังไม่ได้เคยรับมาที่มาพูดให้ฟังก็กเพื่อความหวังดีว่าควรจะคิดกันอย่างนี้ด้วยปัญญาตลอดวันเมื่อพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายเราก็สกปรกร่างกายของบุคคลอื่นก็สกปรกความจริงมันเห็นง่ายนิดเดียวไม่มีอะไระยาก ตอนนี้นิบิทายานมันจะเกิดคือนิพิทานในด้านสมถภาวนามันจะเกิดการรังเกียด ร, ร่างกายเราเองด้วยและก็ร่างกายบุคคลอื่นด้วยอันนี้ถูกต้องถ้าเรารังเกียดนี่ถูกต้องและ ว, ว่าความรังเกียดในด้านของนิบิทายานคําว่านิบิทายานนี้เรียกว่าความเบื่อหน่าย มันเกิดขึ้นมามากๆถ้าเราไม่ใช้สังขารกรปีขาญยาณยมันก็จะ ก, กลายเป็นอตตานิบาตกรรมอย่างในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชน์อยู่ <S 2> <S 2> <S <S เวลานั้นพระดิ ศ, ศึกษาจากองค์สมเด็จพระบรมครูมีความเวือนหน่ายจ้างปริพาชกฆ่าตนด้วยบริขาร คือของที่มีอยู่ให้เขาค่าแล้วก็ให้บริขายคือของที่มีอยู่ให้เป็นรางวัลบริพายโชค่าเสียนหลายสิบคนต่อมาองค์สมเด็จพระทศกุลยังได้ทรงแนะนำว่าร่างกายนี้เมื่อกระจายออกแล้จงรวมเข้าเขาว่าคำว่ารวมเข้าก็หมายความว่าในเมื่อมันยังทรงชีวิตอยู่ก็ให้มันทรงชีวิตจุย่างนั้นตลอดไป แต่ได้ว่าจิตใจของเราไม่มีความรักในมันในเมื่อมันจะหิวเราก็หาให้มันกินมันจะร้อนเราก็หาของเย็นให้เป็นการระงับทุกขเวทนามันจะหาหนาวเราก็หาเครื่องนองห่มน้าให้แต่เรื่องน้ำใจของเราจริงๆเราไม่มีความพอใจในร่างกายนี้เลย พรา อ, อะไรว่านอกจากที่มันจะสกปรกแล้วมันก็ยังไม่มีความสุขที่มันไม่มีความสุขก็ อ, อะไรเพราะเราต้องการอย่างเดียวคือการอยู่เป็นสุขอย่างไม่มีกิจคำว่าไม่มีกิจหมายความไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายลาบากไม่มีธุระที่ต้องทำให้ร่างกายเหน็ดเหนื่อย เราไม่ต้องการความกังวลใดๆทั้งหมดเราต้องการอารมณ์เป็นสุขเราต้องการร่างกายที่เป็นสุขนี่สำหรับร่างกายของเรานี่มันมีสภาพอย่างนั้นไหมจำได้ไหมว่าตั้งแต่พอตื่นขึ้นเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ๆ มันมีอะไรบ้างที่จะสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆหน้ากลางปากเหม็นต้องไปล้างหน้าต้องแปรงฟันนี่เป็นงานที่เราไม่ต้องการจะทําถ้าเราไม่มีงานนี้ทําข้างวล น, นี้มันก็ไม่มีนั่นนอกจากนั้นต่อมาตอนสายมันก็หิว หิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหิวมันเป็นสุขเราไม่ต้องกินก็ได้ถ้าหิวมันไม่เป็นสุขมันเสียดแทงใจเสียดแทงกายถ้าไม่เกิดความไม่สมบายกายไม่สมบายใจนี่เป็นกังวลเราก็ต้องหากินพี่เราก็ต้องกินพยับยั้งความหิวใหนการกินเพื่อยยับยั้งความหิวมันหมดโทระและ้วหรอย่าง ก็ยังแท้กินน้ำเข้าไปกินอาหารเข้าไปมันก็จะต้องกลายมาเป็นอุจาระและปัสสาวะถ้าการต้องการในการมีอุจาระปัสสาวะต้องถ่ายไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ถ่ายมันทำไงมันก็ทุกข์สิทุกหนักมันก็เบียดเบียนสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจในที่สุดความแก่มาถึงความป่วยไขย้ไม่สบายมาถึง ความพลดพลาดจากของรักของชอบใจมาถึงความตายจะมาถึงตัวนี้มันสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับเราความสบายกายสบายใจไม่มีอาการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมากับกายทานิพพามันมากเกินไปม้อยจะทําลายตัวเองดังนั้นองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงยึดสังขารุเปกขาญาณ คือว่าทาใจวางเฉยยอมรับนบถือความเป็นจริงในฐานะที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่เรามีหน้าที่ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติปัญอย่างนั้นเพื่อเป็นการรั บ, บทุกขเวทนาเกิดตื่นมาล้างหน้าไม่ล้างหน้ากรรมการก็ล้างที่เวลาจะกินก็กิน ก่อนที่จะได้กินต้องหาก็ต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าทำตามหน้าที่ต่ร่างกายอัปรีที่สร้างความเล่าร้อนฟางสร้างความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันเองก็เต็มไปได้วยความสกปรกโซโครกอย่างนี้คิดเราก็คิดไว้ว่าก่อนจะเกิดเรามันโง่ ถ้าเราไม่โง่เราไม่ยึดถือกิเลสตัณหาอุปาทานนาโกษลกรรมไวเป็นสมบัติของเราประจาจิตใจเราก็ไม่ได้เกิดเราก็ปานิพานในเมื่อไม่โง่มาแล้วเราก็จะไม่โง่ต่อไปคิดไว้ในใจคือสังขารรเปข้ายานเขาคิดอย่างนี้ คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับร่างกายก็ตามทีแลื อ, อะไรจะเกิดขึ้นมากับอารมณ์ตามถือว่าช่างมันช่างมันธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไปทุกอย่างทำตามหน้าที่เท่านั้นมัน ห, หิวหายกินตามหน้าที่มันร้อนหาความเย็นให้มาระงับทุกเวทนาตามหน้าที่ มันหามันหนาวหาความอบ อ, อุ่นเข้ามาให้ตามหน้าที่มันป่วยไข้ไม่สบายและแสากายนี้ตามหน้าที่คือตามหน้าที่หมายถึงว่าแรงรับทุกขเวทนาโชคคราวแต่ว่าจิตใจของเราไม่มีความต้องการในมันอีกเพราะอะไรเพราะมันสุกรุกแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวเข้าไปหาความทุกตลอดเวลา อะไรจะเกิดขึ้นมาใจเราไม่หวั่นไหวถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของมันให้ใจคิดว่าเสมอได้รมมันวัดร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำรับต่ออีกขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ความเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรมไม่มีสำรักเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพนิพาณ ดังนั้นความจริงอาหาเรยปฏิคูรสัญญานี้น่าจะกล่าวว่าจุดสไต์คันแรกนั่นก็คือความเป็นปารหันไม่ใช่พระอนาคามีที่พูดไวเ้เพียงแค่พระอนาคามีก็พูดไว้เพื่อคนโง่เท่านั้นอรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่จะแนะนํากันก็เห็นว่าพอแล้วต่อนนินไฟสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแป้ว เยินพานกันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเพิงมราถนาจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายสบายรัะะกษากําลังใจของท่านเดว<ม>นาตอนาภานุสติกรมฐ า, านกับคําภาวนาและพิจารณาให้จิตทรงตัว<ม>เวลาจะนอนจงพยายามภาวนาและพิจารณาจนกว่าจะหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่สายเกินไปจับอารมณ์นั้นไว้ให้ทรงกําลังใจถ้าตอนเช้าไม่กําลังใจทรงมากเท่าใหวันทั้งวันอารมณ์ใจเ ข, ขาก็ยัง ม, มีความสุขและผลนี่เพึงได้ก็คืออริยมมรรยาผลตามที่องค์สมเด็จพระทสผลโรมศาสานดาสัมมาสัมพทุทธเจ้าตรงต g ัดและต่อที่นี่ไปข้ามบรรดาท่านพระตบริษัทตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่น อยู่ในธรรมบทที่ท่านต้องการใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาสายจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี